มีบุญแล้วก็แบ่งบุญให้กับผู้อื่นคนที่มีบุญแล้วคิดแบ่งให้ผู้อื่นมีบุญเพิ่มบุญที่ใจกว้างเมื่อกี้เปิดใจแล้วตอนนี้ใจกว้างด้วยบุญที่เรารู้จักทำก็โดยอาศัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนขอนำเอาบุญที่เราได้ปฏิบัติแล้วนี้ด้วยการ ทำให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาฟังธรรมเกิดปัญญาขึ้นมาขอสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระองค์ผู้ทรงสั่งสอนผู้รู้ยิ่งเห็นจริงด้วยพระองค์เองแล้วนำเอาสิ่งที่พระองค์เห็นสิ่งทพระองค์รู้จริงอันนั้นมาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกตกทอดมาถึงเราคนหนึ่งในวันนี้ ขอบูชาแด่พระองค์บูชาคําสอนของพระองค์บูชาแด่พระสงฆ์ผู้ดํารงพระศาสนาสืบทอดมานับพันๆปีจนถึงพวกเรานี้ได้รับมรดกธรรมะก็ด้วยพระสงฆ์ได้รักษาดํารงเอาไว้บูชาพระรัตนตรยัยขอบูชาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ ในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ได้อุปถรัรมภ์ค้ำจุนพศาสนาให้รุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดินนี้เป็นแบบอย่างแก่ประสงคนิกรชาวไทยในการบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญคุณความดีไม่เห็นแก่นเน็ตแก่เหนื่อยบูชาแด่ผู้มีพระคุณของเราแล้วก็อุทิศให้กับท่าน อุทิศให้กับพ่อแม่ให้กับปู่ย่าตายายให้กับญาติสนิทมิสหายทั้งหลายให้กับผู้มีพระคุณของเราให้กับครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมอุทิศให้กับเราบุคคลที่เราเคยล่วงเกินไม่ว่าล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจล่วงเกินท่านแล้วท่านมีความอาฆาตพยาบาทอย่างไรขอให้ คุณความดีอันนี้บุญกุศลอันนี้เป็นเครื่องทดแทนความผิดในอดีตเหล่านั้นขอให้ท่านจงอนุโมทนาบุญกุศลที่เราตั้งใจน้นอมอุทิศให้กับท่านเครื่องทดแทนความผิดอันนี้ท่านจงมีความสมนัดยินดีในบุญกุศลที่เราได้อุทิศให้แล้วนี้ให้เลิกแล้วต่อการอาฆาตปียาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีใจยินดีในกุศลที่เราได้อุทิศแล้ว ชื่นชมยินดีแล้วก็พากันสนับสนุนกันในการทำบุญสร้างบา ร, รมีกันสืบไปแม้กับคนที่เคยล่วงเกินเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราอาจจะเคยผิดพลาดด้วยการที่อาฆาตพยาบาทผู้ที่ล่วงเกินนั้นขอโอกาสนี้เมื่อเราขอขอเข้ามาด้วยบุญกุศลกับคนที่เราได้เคยล่วงเกินแล้วเราจะขอให้อภัย กับคนที่เคยล่วงเกินเราด้วยขอทิศมือสนให้กับเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาแผ่นดินนี้อยู่ให้ท่านได้มีกำลังบารมีมากขึ้นได้สนับสนุนคนดีให้มีกำลังมากขึ้นให้สังคมนี้มีคนดีเป็นผู้นำทำให้คนดีนำสังคมไปสู่ความร่มเย็น บุญกุศลเหล่านี้ก็ขออุทิศให้กับเหล่าสัรวสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณสัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่จงรับรู้ในบุญกุศลที่เราทั้งหลายในที่นี้รวมใจอุทิศให้กับท่านขอให้ท่านจงมีความดีใจปีติใจชื่นชมสมนัติในบุญกุศลเหล่านี้เปลี่ยนพพเปลี่ยนภูิไปสู่สุขติเราทั้งหลายที่นี้นี้ก็จะตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติศึกษาถ้อยคําของพระพุทธองค์นํามาปฏิบัติให้ถึงความรู้ยิ่งเห็นจริง จึงถึงที่สุดคือความ้นทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคนตั้งใจอธิษฐานของแต่ละคนยาตาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสากรให้บริบูรณ์ได้ชันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกรัรปฏิ ทานที่ทานุทิตให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจฉิตังปฏิตังตุมหังขอให้ท่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปะเมวสมมิจ ช, ชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อกวนบรมริทั้งปวนจงเต็มที่จันทปันรโสยธา เหมือนพระจันท์ในวันเพ็ญมณิชโชติระโสยธ า, า, าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยกวนยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไ์ทั้งปวงจง ม, มรดไปสัพปรโรควินา ส, สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัิวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกปวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิเลสนิจจังวุธาปจายโนจัตารโรธรรมวันตนิอายุวนโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนะสุขะปละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการาชนีแหลพระวตุศัพท์ปังคลัง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 จงมีแก่ทานทุกมือ